เจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสิอุบาศิกาผู้ใฝ่ธรรมทุ ก, ท, กท่านวันนี้เป็นวันศุกร์ที่14บสี่พฤศจิกายนพุทธศักราชสอ5พเป็นวันพระวันธรรมบัศวนณาวันฝังธรรม วันสร้างบุญสร้างบารมีที่เป็นเหมือนกับน้ำมันที่ต้องเติมให้กับจรวดจรวดเวลาที่จะออกเดินทางออกจากโลกนี้ไปได้จําเป็นจะต้องมีเชือเบอรม์มีน้ำมันถ้าเติมเชือเบอรเติมน้ำมันไม่พอจรวดก็จะไม่สามารถ สยานหลุดออกจากแรงดึงดูดของโลกได้ก็จะต้องตกกลับมาที่โลกใหม่ท่านได้มันสร้างบุญบารมีอยู่อย่างสม่ำเสมอเติมน้ำมันอยู่เรื่อยๆเติมเชือเ้อเพลิงอยู่เรื่อยๆไม่มีวันหยุดวันหย่อนอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันนี้พวกเราเอาจรวด ของพวกเรามาเติมน้ำมันกันจรวดของพวกเราคืออะไรก็คือจิตใจนี่เองจิตใจตอนนี้มันติดอยู่กับร่างกายมันถูกแรงดึงดูดของร่างกายฉุดรากเอาไว้ให้ต้องกลับมาหาร่างกายอยู่ทุกพบทุกชาติร่างกายนี้ตายไปก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่กลับมาเกิดใหม่ กลับมาแก่ใหม่มาเจ็บใหม่มาตายใหม่เพราะจรวดคือจิตใจไม่ได้มีบุญบารมีพอที่จะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของวัตตะสงสารแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระไว้วันพระนี่แหละก็คือวันที่พุทเจ้าบอกว่าให้เอาจรวด มาใช้ที่สถานีบริการมาเติมน้ำมันกันเพราะถ้าไม่เติมแล้วเดี๋ยวมันน้ำมันหมดจะไปไหนไม่ได้จะติดอยู่กับโลกนี้และจะติดอยู่ในภพที่ไม่ดีติดอยู่ในภพของเดรัจฉานของเปรตของอสุรกายของนรกจึงต้องมีวันพระวันพระเป็นวันสร้างบุญสร้างบารมีกัน บุญบารมีที่เป็นเชื้อเพลิงของจิตใจนี้มีอยู่ทั้งหมด10ประการด้วยกัน10บข้อด้วยกันข้อที่หนึ่งคือเมตตาบารมีอันนี้เป็นบารมีที่สำคัญอย่างยิ่งเหมือนกับเวลาที่จะให้จรวดออกเดินทางได้ต้องติดเครื่องก่อน เมตตาบาลเมนี้เป็นเหมือนกุญแจที่เราเสียบเข้าไปในในช่องสําหรับสตาร์ทเครื่องยนต์ของจรวรเหมือนกับเวลาเราขับรถยนต์ก่อนที่เราจะทําอะไรได้เราต้องมีกุญแจเสียบเข้าไปในในช่องกุญแจแล้วถึงจะสตาร์ทรถได้พอสตาร์ทรถได้รถถึงจะออกวิ่งได้ จันใหการที่เราจะสร้างบารมีต่างๆได้เราต้องเริ่มที่เมตตาบารมีก่อนอเมตตาบารมีเพราะถ้าเรามีเมตตาบารมีเราก็จะทำทานได้เราก็จะสร้างทานบารมีได้เพราะเมตตาคือความปรารถนาดีความหวังดีความอยากให้ผู้มีความสุข อย่างเวลาเราเอาของขวัญไปอำนวยความสุขเวลาคนเขามีวันเกิดหรือเวลาเขาแต่งงานหรือเวลาเขาเปิดร้านใหม่หรือช่วงปีใหม่ส่งสอกระสอกันส่งความสุขกันคนที่ไม่มีความเมตตามีแต่ความโกรธความเกลียดจะไม่สามารถทำทานได้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้แล้วจะ เอาของไปให้เขาได้อย่างไรอย่างนั้นก่อนที่จะสร้างทานบารมีได้ต้องเจริญเมตตาบารมีก่อนต้องมีความปรารถนาดีให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหมายถึงทุกคนทุกสัตว์ทุกบุคคลทุกเดรัจฉานทุกเทพทุกพรหมสัตว์ทั้งหมดที่มีดวงจิตดวงใจนี้เราเรียกว่าสัตว เพียงแต่ว่าจะตกอยู่ในภาวะไหนขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่ทาไว้ตอนนี้เป็นมนุษย์ต่อไปอาจจะเป็นเทวดาเป็นพรหมเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปรต เ, เป็นนรกก็ขึ้นอยู่ที่การสร้างบุญบารมีหรือไม่สร้างบุญบารมีนี้เอง แไม่ว่าจะเป็นอะไรสัตว์ทุกถัดทุกตัวมีความปรารถนาเหมือนกันหมดปรารถนาความสุขปรารถนาความสิ้นทุกข์กันทั้งนั้นดังนั้นจึงไม่ควรที่จะให้ความทุกข์แก่ผู้อื่นควรแต่ให้แต่ความสุขแก่ผู้อื่นถ้าอยากจะสร้างบารมีถ้าอยากจะมีเมตตาบารมี เราต้องไม่ยกเว้นว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบถ้าเราเจอเขาเราควรที่จะแผ่เมตตาให้กับเขาอย่าไปแผ่ตอนที่อยู่คนเดียวสวนอยู่คนเดียวสัพเพสัตตาพอเจอหน้ากันก็แยกเคี้ยวใส่กันอย่างนี้ไม่เรียกว่าแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่พบกัน เวลาอยู่คนเดียวก็ให้ซ้อมไว้ก่อนนึกถึงหน้าของคนที่เราไม่ชอบแต่เราต้องเจอพอเจอเขาแล้วก็ลองยิ้มให้เขาดูสวัสดีครับเป็นไงครับสบายดีไหมครับก็แค่นี้เองนี่เรียกว่าเมตตาถ้าเรามีความเมตตาเราก็อยากจะให้ความสุขกับเขาเรามีอะไรที่เราไม่ต้องการจะเก็บเอาไว้ เราก็นึกถึงเขาหรือว่าใครอยู่ใกล้เราสะดวกที่จะให้ใครก็ให้ไปเลยนี่เรียกว่าถ้ามีความเมตตาแล้วก็จะสามารถสร้างทานบาลมีได้คนที่ไม่ทำทานก็เพราะว่าเป็นคนที่เกลียดคนนู้นเกลียดคนนี้ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบวัดนั้นไม่ชอบวัดนี้ ไม่ชอบพระรูปนั้นไม่ชอบพระรูปนี้ดึงทำบุญไม่ได้ทำทานไม่ได้ดังนั้นต้องมาแก้ปัญหาด้วยการสร้างเมตตาบาณีก่อนให้มีความคิดปรารถนาดีอยากจะให้คนอื่นเขามีความสุขเพราะเขาก็เป็นเหมือนเราเราก็อยากจะมีความสุขเขาก็มีอยากจะมีความสุขไม่มีใครอยากมีความทุกข์กัน เราก็ไม่อยากทุกข์เขาก็ไม่อยากทุกข์เพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสุขเขาด้วยการทําทานทานก็มีสื่ออยู่สีชนิดสี่ชนิดด้วยกันคือวัตถุทานแปลว่าอะไรให้ข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานวิทยาทานให้วิชาความรู้เราเป็นครูเรา สอนวิชากวดวิชาให้กับเด็กโดยไม่คิดเงินทองนอกเวลาเรียนโรงเรียนหยุดแล้วก็โรงเรียนโรงเรียนเลิกเรียนแล้วก็เปิดห้องเรียนสอนพิเศษต่อให้กับเด็กที่ไม่มีเงินทองที่จะไปเรียนกวดวิชาไม่ต้องเก็บตังค์เขาถือว่าเป็นการทำวิทยาทานไม่ต้องไปไร่หาพระคอยใส่บาตร ถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปซื้อกับข้าวกับปลาอาหารมาใส่บาทแต่เรามีวิชาความรู้เราก็เอาวิชาความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นได้โดยที่ไม่เก็บสตางค์ไม่เรียกไม่เอาสิ่งตอบแทนเรียกว่าวิทยาทานถ้าเรามีธรรมะถ้าเรารู้จักธรรมรู้จักอริยสัจ ส, สีรู้จักตายรัก อันนี้จังทุกขังอนัตตารู้จักมากแบเราก็แบ่งให้แก่ผู้อื่นได้เรียกว่าธรรมทานเวลาใครเขามาปรึกษากับเรามีความทุกข์ใจก็สอนเขาว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากของเราเองอยากให้เขาทำอย่างนั้นทาอย่างนี้อยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็น ดังใจอยากก็ทุกข์ใจถ้าอยากจะดับความทุกข์ก็ต้องมองว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอณิจจังก็คือเขาไม่แน่นอนเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสมวันดีสี่วันไข้อนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาดีเราก็ห้ามเขาไม่ได้เวลาเขาร้ายเราก็ห้ามเขาไม่ได้อย่าไปอยาก ให้เขาดีตอนที่เขาร้ายอย่าไปอยากให้เขาร้ายตอนที่เขาดีเป็นไปไม่ได้เราต้องทำใจอย่างเดียวถ้าเราทำใจได้หยุดความอยากได้เราก็จะหายทุกข์นี่คือธรรมะที่เราสามารถที่จะเอาไปเผยแผ่ให้แก่ผู้อื่นได้ถ้าลองให้ธรรมะก็เรียกว่าให้ธรรมทาน ถ้าเราไม่มีธรรมะในตัวเราเราอ่านหนังสือเราฟังเทศฟังธรรมแล้วเราจำธรรมะข้อนั้นข้อนี้ได้เราก็เอาไปเผยแพร่เผยแผ่ให้แก่ผู้ก็ได้เรามี Facebook เราก็เขียนเข้าไปใน Facebook ให้คนอื่นเขาได้อ่านคนที่ได้อ่านแล้วเขาก็ได้เกิดปัญญามีความทุกใจพอได้อ่านแล้วทําให้ความทุกข์หายใจ หายไปได้นี่เรียกว่าธรรมทาน mm hmm. ทานที่สี่ก็คืออภัยทาน mm hmm. คือการให้อภัยใครเขาที่ทําอะไรกับเราทําให้เราไม่ถูกใจไม่ชอบใจไม่พอใจไม่ควรไปโกรธไปเกลียดเพราะว่าจะทําให้เราทุกข์ใจไปเปล่าๆใจของเราเราต้องรักษา คนอื่นเรารับสาไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้สั่งเขาไม่ได้แต่เราสั่งใจเราได้ห้ามใจเราได้ห้ามใจของเราไม่ให้ทุกข์ได้ด้วยการให้อภัยใครทำอะไรทำให้เราไม่พอใจไม่ถูกใจทำให้เราเสียใจก็ให้อภัยไปถ้าการกระทำของเขาทำให้เขามีความสุขก็ยินดี ยินดีให้ความสุขกับเขาถ้าเราให้อาภัยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับการกระทต่างๆของผู้อื่นผู้อื่นจะทำอะไรก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาเลยอยากจะด่าก็ด่าเลยอยากจะเอาแฟนไปก็เอาไปเลยเรียกว่าให้อาภายัยไม่ไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตพยาบาทใครทาอย่างนี้ได้แล้วใจจะมีความสุข จะเป็นพระจะเป็นโพธิสัตว์ได้ถ้าโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทน้อยเนื้อต่ำใจนี่เป็นเขาโพธิสัตว์ไม่ได้พระโพธิสัตว์นี่ท่านทำตัวเป็นแจ๋วทำตัวเป็นเหมือนปะทพียินดีรับใช้กับผู้อื่นเสมอดูพระเวชสันดรเป็นตัวอย่างนั่นแหละพระโพธิสัตว์ ที่เราควรที่จะยึดมาเป็นแบบเป็นฉบับให้ได้แม้แต่ลูกให้ได้แม้แต่เมียมีใครจะให้ได้อย่างพระเวชสันดรบ้างนี่แหละบารมีแบบนี้ถึงทำให้พระเวชสันดรได้กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะได้กลับมาตัดสั้รู้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสาระเป็นที่พึ่งให้แก่สัตว์โลก เป็นบรมมสาสดาเป็นสัตถาเทวมนุษย์นังเป็นครูของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายโดยจากการมีเมตตาบารมีทานบารมีทานบารมีก็อยู่สี่ประการนี้ขอให้เราใช้มันเวลาที่มันสมควรเวลาเขาเดือนร้อนขาดวัตถุข้าวของก็ให้วัตถุทานไป เขาขาดวิชาความรู้ก็ให้วิทยาทานไปเขาถาดธรรมะก็ให้ธรรมทานไปเขาทำให้เราเสียอกเสียใจทำให้เราเดือดร้อนก็ให้อภัยท า, านไปนี่แหละเป็นทานสี่ชนิ ด, ด้วยกันสำหรับผู้ที่ปรารถนาที่จะเติมเชื้อเพลิงให้แก่จรวดเพื่อที่จะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จำเป็นจะต้องทำทานทั้ง4ี่ชนิดนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่เกิดเหตุที่จะต้องทำต้องทำให้ได้ถึงเรียกว่าไม่สอบตกสอบผ่านถ้าทำไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ก็แสดงว่ายังสอบตกอยู่สอบตกก็คือต้องกลับมาสอบใหม่นั่นเองสอบไปลึ ถ้าสอบไม่ผ่านก็ยังต้องสอบอยู่ไปเรื่อยๆแต่ถ้าสอบผ่านไปแล้วก็สบายจะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ชั้นต่อไปได้บารมีขั้นต่อไปที่ต้องขยับขึ้นไปจากการทำทานบารมีก็คือศีลบารมีศีลบารมีก็คือการไม่ทำบาปไม่ทำความเดือดร้อนความเสียหายให้แก่ผู้อื่นและตนเอง ก็ต้องมีความเมตตาเป็นพื้นฐานคนถ้าไม่มีความเมตตาจะรักษาศีลไม่ได้คนที่ไม่ทําทานจะรักษาศีลไม่ได้เพราะจะคิดแต่เอาประโยชน์ใส่ตนเองเพียงอย่างเดียวอยากจะไดนะ้อยากจะได้สิ่งต่างๆเพื่อตนเองไม่เคยคิดถึงจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเมื่อเกิดความอยากก็ ไม่สนใจว่าจะเดือดร้อนผู้อื่นหรือเปล่าทำอะไรได้ต้องทำอยากจะทำอะไรต้องทำให้ได้ถ้าต้องไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนก็ไม่สนใจเป็น่างผัวญาตเมียของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นเพราะชอบเมียเขาชอบผัวเขาเก่อความอยากขึ้นมาถ้ามีความเมตตามีทานมารณีจะไม่กล้าทำจะไม่อยากทำ นั้นต้องสร้างศีลบา ร, รมีขึ้นมาเพราะศีลบาลมีนี้จะเป็นกำแพงกั้นไม่ให้ตกไปในอบายถ้ารักษาศีลไปได้ตลอดชีวิตนับรองได้ว่าตายไปจะไม่ไปเกิดในอบายนี่คือกำแพงเพื่อที่เราจะได้ก้าวขึ้นไปสูงขึ้นไปจากมนุษย์เราจะได้ก้าวขึ้นสู่ชั้นเทพต่อไปได้ไปได้ด้วยฐานบามี ด้วยศีลบารมีนี่แหละชั้นเทพต่างๆเกิดจากเมตตาบารมีทานบารมีและศีลบารมีพอเรารักษาศีลห้าได้แล้วต่อไปเราก็จะขยับขึ้นสู่การรักษาศีลแปก็คือเข้าสู่การเจริญเนคขมมะบารมีเราจะไม่หาความสุขทางร่างกายเพราะเป็นความสุขที่หยาบกว่าความสุข ที่เราจะได้รับจากการเจริญอุเบกขาบารมีคือการทำใจให้สงบการจะเจริญอุเบกขาบารมีได้จาเป็นจะต้องมีเนคขมมะบารมีเป็นผู้สนับสนุนเนคขมมะแปลว่าอะไรแปลว่าการออกจากกามนั่นเองออกจากอะไรกามก็มีกามก็คือการมาคุณทั้งห้าได้แก่รูปเสียงกลิ่นรส อดทัพระพวกคนพวกเรานี่ยังเสพการกันอยู่ยังอดดูไม่ได้อดฟังไม่ได้อดดื่มไม่ได้อดรับประทานไม่ได้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่มไม่รับประทานก็ไม่ตายแต่อยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็เลยต้องกลายเป็นผู้ติดรูปเสียงกลิ่นรสปวดทัพระ เวลาไม่ได้เสพก็เหมือนคนไม่ได้เสพยาเสพติดดิ้นพระ่าจะลงแดงจะตายให้ได้ให้อยู่บ้านนั่งอยู่เฉยๆนะอยู่ไม่ได้ต้องดิ้นออกไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารถหาอรไรต่างๆหามาแล้วเป็นยังไงมีคำ ว, ว่าอิ่มมีคำว่าพอตามมาไหมไม่มีมีกับคำ ว, ว่าอยากเพิ่มขึ้นไป ไอ้ตัวนี้แหละที่ทําให้ต้องกลับมาตะเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆต้องกลับมามีตาหูจมูกลิ้นกายเพราะเวลาอยากจะดูรูปก็ต้องมีตาอยากจะฟังเสียงก็ต้องมีหูจึงต้องกลับมาเกิดมีร่างกายใหม่ถ้าตัดการมาคุณตัดความอยากในการมาคุณทั้งห้าได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดจะไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม ถ้าทำใจให้สงบได้เนี่ยเราจึงต้องสร้างบรารมีขั้นต่อไปคือเนคขัมมะบรารมีกับปูเบคาบรารมีถ้าเราอยากจะเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่ชั้นพรหมชันะ้นเทวโลกนี้ก็เอาเพียงสข้อเมตตาบรารมีทานบรานบรมีศีลบารมีถ้าจะขึ้นสูงกว่านั้นก็ต้องเพิ่ม เนคขมะบารมีเช่นวันนี้วันพระรักษาสิงหแปดกันวันธรรมดาเป็นเทวดาวันพระมาเป็นพรมกันรักษาศิงหแปปิดทีวีปิดวิทยุปิดตู้ย็นใส่กุญแจอย่าไปเปิดมันหนึ่งวันหลังจากเที่ยงวันไปแล้วจะไม่หาความสุขทางตาหูจมูก้นกายจะมาหาความสุขจากความสงบของใจ มาเจริญอุเบกขาบารมีด้วยการเจริญสติบริกรรมพุทโธพุทโธเดินจงกรมนั่งสมาธิจนกว่าใจจะรวนเข้าสู่ความสงบก็จะได้ได้พบกับอุเบกขาบารมีได้พบกับความสุขที่พระพุทธเจ้าทรงกัดว่าเหนือกว่าความสุขทั้งหลายเหนือกว่าความสุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดื่มได้รับประทาน นี่แหละคือความสุขของผู้ประเสริฐของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกของพระอาาริยเจ้าทั้งหลายท่านเสพความสุขแบบนี้ท่านไม่เสพความสุขห ย, ยาบๆแบบพวกเราความสุขของพวกเราก็ไม่ต่างจากความสุขของเดลฉ า, านเดลฉ า, านมันก็สุขจากการได้ดูได้ยินได้ฟังได้ดด่นได้กินเหมือนกัน ถ้าเราอยากเสพความสุขที่เหนือกว่าความสุขของเดลฉานของเทวดาเราก็ต้องเจริญสติทาใจให้สงบใจสงบก็จะได้อุเบกขาถ้าใจได้อุเบกขาก็จะได้ความสุขที่เรียกว่านัตถิสันติปรังสุขขังความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงพอเราได้ความสุขนี้แล้ว ถ้าเราอยากจะรักษาให้มันอยู่ต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องเจริญปัญญาเพราะถ้าไม่เจริญปัญญาเดี๋ยวอุเบกขาก็จะหายไปเหมือนกับเวลาที่เราแช่น้ําไว้ในตู้เย็นมันเย็นแล้วเวลาเราเอาออมาจากตู้เย็นถ้าเราปล่อยทิ้งไว้ไม่นานเดี๋ยวมันก็หายเย็นถ้าเราอยากจะให้มันเย็น เราก็ต้องเอาถุงพลาสติกใส่น้ําแข็งแล้วก็ใส่บรรจ์แช่เข้าไปต่อมันก็จะเย็นต่อไปปัญญานี่ก็เป็นเหมือนถุงพลาสติกที่มีน้ําแข็งที่จะทารักษาใจให้เป็นอุเบกขาต่อไปเวลาใจเกิดอารมณ์เกิดความอยากเกิดความร้อนขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเวลาอยากทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อยากดูอยากฟัง ก็ใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าดูอย่าฟังดูฟังแล้วมันจะไม่อิ่มไม่พอมันจะอยากไปเรื่อยๆได้เวลาไม่ได้ดังใจอยากก็จะทุกข์จะเสียใจจะน้อยใจจะเบื่อนายจะไม่อยากทำอะไรจะหมดกำลังจิตหมดกำลังใจแต่ถ้ามีปัญญาเวลาอยากก็ใช้ปัญญาหยุดมันได้ สอนใจว่าสิ่งที่อยากได้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปและจะปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวทำให้เราอยากเพิ่มขึ้นทำให้เราต้องเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาที่เราสูญเสียสิ่งที่ให้ความสุขกับเราไปนี่คือปัญญาถ้าใช้ปัญญาบรารมี ก็จะหยุดความอยากต่างๆที่ทำให้ใจร้อนที่ทำให้ใจไม่เป็นอุเบกขาได้พอมีปัญญาแล้วใจก็จะเป็นอุเบกขาไปตลอดโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธินี่คือใจของพระอาหารหันต์ใจของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอย่างนี้ผู้ที่จะก้าวจากสวรรค์ชั้นพรมขึ้นไปสู่ชั้น อ, อริย เจ้าก็ต้องเจริญปัญญาต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาต้องเห็นอริยสัจสีทุกสมุทัยนิโรธมักนี่แหละเป็นวิธีที่จะส่งจรวดให้ออกไปโคจรนอกในอวกาศได้หลุดพ้นจากแรงดึงดูดของการเวียนว่ายตายเกิดได้ต้องใช้บา ร, รมีทั้งเจ็ดข้อนี้ต้องใช้เมตตา ใช้ทานใช้ศีลใช้เนกขมะใช้อุเบกขาและใช้ปัญญาและการที่เราจะเจริญปัญญาทั้งหกข้อนี้ได้เราต้องมีอธิฐานบารมีเราต้องตั้งใจตั้งจิตตั้งใจว่าต่อไปนี้จะอุทิศชีวิตให้กับการสร้างบารมีเริ่มต้นที่เมตตาบารมีจนถึงปัญญาบารมี พอตั้งอธิษฐานแล้วขั้นต่อไปก็ต้องตั้งสัจจะบารมีต้องมีความจริงใจไม่โกหกหลอกลวงตัวเองบอกว่าจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้พอถึงเวล า, วาบอกไม่เอาไม่เอาขี้เกียจขอนอนต่อเช่นวันนี้บอกให้มาทำทานไม่เอาขอนอนต่ออย่างนี้แสดงว่าไม่มีสัจจะ ถ้าตั้งสัจจะแล้วพอถึงเวลาตื่นขึ้นมาบอกว่าจะมาวัดมาทำบุญก็ต้องรีบลุกขึ้นมาเลยล้างหน้าล้างตาถ้ารีบลุกขึ้นมาก็เรียกว่ามีวิริยะบา ร, รมีต้องมีบาลมีตัวที่สารต้องมีความขมักเขม่นขวนขวายวิริยะอุตสาหกภาคเพียนตั้งใจจะทำอะไรแล้วต้องทาให้ได้ ไม่ใช่เบี้ยวตั้งทีไรก็เบี้ยวว่าจะทําอย่างนั้นก็เบี้ยวจะทําทานก็เบี้ยวจะรักษาศีลก็เบี้ยวจะเจริญในกขมะบารมีก็เบี้ยวจะนั่งสมาธิก็เบี้ยวจะฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็เบี้ยวเพราะว่าไม่มีสัจจะบารมีถ้ามีสัจจะบาลมีแล้วเป็นตายอย่างไรต้องทําให้ได้ยัดไม่ทําก็เมื่อบันตายเท่านั้นนี่คือพระพุทธเจ้า เวลานั่งอยู่ใต้ต้นโคนต้นโพท่านตั้งสัจจะอย่างนี้จะนั่งภาวนาไปจนกว่าจะตัสรรุถ้าไม่ตัดสรุจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้ไปโดยเด็ดขาดถ้าจะเลิกภาวนาก็ต้องตายเท่านั้นนี่คือสัจจะของพระพุทธเจ้าจึงทำให้พระพุทธเจ้าได้ความสำเร็จได้บรรลุได้ตัดสัรุเป็นพระพุทธเจ้า พอมีสัจจะแล้วก็ต้องมีวิ ร, ย ร, ริยะบาลมีต้องขยันทําตามที่เราตั้งใจไว้ตั้งใจจะทําบุญก็ต้องเดินทางมาวัดมาทําบุญตั้งใจจะนั่งสมาธิก็ต้องนั่งสมาธิตั้งใจจะฟังเทศน์ฟังธรรมตั้งใจจะพิจารณาไกรลักษณิจังทุกขังอนัตตาก็ต้องพิจารณาไปถึงจะสามารถทําให้เกิดผลขึ้นมาได้พอเรามีวิริยะบาลมีแล้ว เราก็ต้องมีขันติบา ร, รมีมาอีกมาช่วยสนับสนุนเพราะเวลาทําไปแล้วอาจจะเหนื่อยอาจจะท้อแท้รู้สึกว่ามันยากมันลำบากก็ต้องใช้ขันติอดทนยากยังไงก็ทําต่อไปลาบากยังไงก็ทําต่อไปไม่ยอมแพ้ไม่ไม่ไม่ถอยสู้ไม่ถอยนี่คือ ค, คือคาสั่งคำสอนของหลวงตามหาบัวถ้าเราอยากที่จะ ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราอยากจะได้พัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นไปตามลำดับคำว่าถอยนี้ต้องไม่มีในพจนานุกรมของเราถ้ามีต้องขีดทิ้งไปลบทิ้งไปคำว่าถอยนี้อย่าให้มีในใจของเราให้มีแต่คำว่าสู้อย่างเดียวจะสู้ได้ก็ต้องมีขันติบรารมีมีความอดทน ถ้าไม่มีความอดทนแล้วจะไม่สามารถที่จะทำอะไรให้สำเร็จได้เพราะการกระทำดีนี่เหมือนกับเดินขึ้นเขาไม่เหมือนกับการกระทำชั่วนี่เหมือนเดินลงเขาเดินลงเขานี่ไม่ต้องมีบารมีเลยไม่ต้องมีอธิษฐานไม่ต้องมีสัจจะไม่ต้องมีวิรยิยะไม่ต้องมีขันติเลยมันพรวดไปเลยบอกให้ไปกินเหล้านี้มันไปถึงก่อนเราแล้ว บอกให้เล่นการพนานนี้มันไปแล้วบอกให้ไปเที่ยวนี่มันไปแล้วไม่ต้องมีอะไรมามามาผักมาดันมาลากมันเลยเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดว่าการสร้างความดีการพัฒนาจิตใจของเราการเติมพลังน้ำมันให้แก่จิตใจของเรานี้ต้องทำด้วยความอดทนขันติพระพุทธเจ้าบอกว่า ขันตินี่แหละเป็นตัวแผดเผากิเลสตัณหาทั้งหลายที่เป็นข้าศึกศัตรูที่ทำให้เราไม่ได้ไปถึงพระนิพพานกันถ้าไม่มีขันติแล้วจะไม่มีกำลังแผดเผาขั้นตีตะโปตีติดขานี่นิบบานังปรมังสุขขังเนี่ยเกิดจากการมีขันติแผดเผากิเลสตัณหานี่คือบารมีสี่ข้อที่เราจำเป็นจะต้องมี ถ้าเราอยากจะสร้างบารมีอีกหข้อรวมกันทั้งหมดก็เป็นส0บข้อด้วยกันถ้าเราทำสร้างบารมีเหล่านี้ได้เราก็จะเติมน้ำมันให้กับจิตใจของเราจนมีกำลังที่จะสามารถหลุดพ้นจากแรงดึงดูดของการเวียนว่ายตายเกิดของสังสารวัฏได้อย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้หลุดพ้นกันอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาเติมเชื่อเพลิงให้แก่จิตใจมาเติมบุญบรารมีนี้ให้ท่านได้นำมาไปพิจิตพิจารณาและปฏิบัติเพื่อการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่างตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอ คุณพระศีรัตนะไต่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มของรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุมรนะสุขะพละโดยทั่วหน้ากันเธอ